ผิดกันท่วนหน้าเรื่องที่แล้วอาตมาได้เล่าเกี่ยวกับลูกจิตของอาตมาในคุกแต่เนื้อหาของเรื่องสามารถประยุก์ใช้กับใครๆก็ได้ที่กำลังถูกจองจำอยู่ในเรือนจำแห่งความรู้สึกผิดความผิดที่เรารู้สึกอยู่สิ่งอื่นๆที่เราได้ทาในวันนั้นปีนั้นและในชีวิตนี้